รัศมีใน10วิปยุตเตนะวิปยุตตะประธานิเทศสามห้าสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากภูรูปขันสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันอายตนะและท่าเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็ด และวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามห้าสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากเวทนาขันต์สัญญาขันต์สังขารขันต์วิญญาณขันต์มัญญายตนะสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุติจากขันต์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 355. หสหสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจากขายตนะโพธพายตนะจากขุธาตุโพธพทธาตุสภาวะธ ร, รรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเจและวิปยุตจากอายตนะหนึง่งธาตุหนึ่งบางส่วน 356. หสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจากผูวิญญาณธาตุ มโนธาตุมโนวิญญาณธาต v. V. V. V. V. V. V. V. ุสมุทัยสัตว์มรรสสัตว์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามยห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากนิโรธัตว์จากขุนสี่กายินสี่อิทธินสี่ ปุริสินสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันสีอายตนะหนึ่งธาตุเจดและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามห้าสบแสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากมนินรีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบ ท่และวิปยุติจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสาม้ห้าสิสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสุขหินสี่ทุกขินสี่สมณะินสี่โทมณะินสี่สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิทธิ์ทาสิบหและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน สามหสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากอุเบกินสีสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบทาสิบเอ็ดและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสามหสเอดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสัตินรีวิริินรีสตินรีสมาธินรี อัญญีสีอนั ญ, ญาตัญญสาสมีติสีอัญญีสีอัญญาตาวินสีอวิชชาสังขานที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุ์จากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุ์จากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกและวิปยุ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสา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 สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่าสาม3าม้หสห้าสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอสัญญาภพเอกวัวการะภพปริเทวะสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันสี่อายตนะหนึ่งท่าเจ็ด และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน366สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอรูปภพเนวสัญญานาสัญญาภ พ, พจตุโวการภ พ, พโสกะทุกข์โทมนัสอุปายาตสติปทานส ม, มปทานอิทิบาทฌานอัปมัญญาอินสีห้าพละห้าผูชงเจ็อริยมรรคมีองค์8 สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิทธิธาตุสิบหกและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้อยหกสิบเจ็ดสภาวะธนะนะรรมเหล่าใดวิปยุจจากผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตมนุิการสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้หสบแปสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากอธิโมกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้าและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน หนึ่งตึกกะสามร้อยหกสิบเกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ 1, ่งอายตนะสิบท่าสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ 1. 1. ่งท่าหนึ่งบางส่วนสาม้อยเจ็ดสิบสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยสุขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยทุกเวทนาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบห้า และวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้อยเจ็ดสิเอ็ดสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมที่สัมปยุติด้วยอทุกขมสุขเวทนาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุติจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยเจดิสอง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 สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบทาสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสามเจ็สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิชฌ์ไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน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 สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาม้อยเจ็ดสหสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่มีชั้งวิตกและวิจารสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้า 15. และวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม้ยเจดสเจสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจาก хорош. สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้ น, ว, น, นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหกและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยเจ็ดบแปด สภาวะธรรมเหล่าใดวิป <n> ย <mint hacemos> ุตจากสภาวะธรรมที Although, ่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากท่านหนึ่งสาม้อยเจ็สิบเกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิทธาสิบห้าและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามปสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่สหรโคตด้วยอุเบขาสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิทธาสิบเอ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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสขับุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสขับุคคลสภาวธรรมที่เป็นมหคตะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบหกและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสามร้อยแปดสิบสอง สภาวะธรรมเหล day, ่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะสภาวะธรรมชั้นปราณีตสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาปสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้น สภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิทธิธาติสิทและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วนสามสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่มีมหคัตะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สภาวะธรรมชั้นต่ำสภาวะธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน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 สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห้าส้แปสหสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวนะธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์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 สภาวะธรรมที่มีธรรมภ า, พพายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุย์จากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุย์จากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนส8 8สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุ์จากสภาวะธรรมที ita, ท่เห็ Murphy, นได้และกระทบได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้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 สามสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่มีเหตุสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุจด้วยเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุแ <Bel> ต <icy> <pic>. ่ไม่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบทาสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วนสามเก้าสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมที่เห็นได้สภาวธรรมที่กระทบได้สภาวธรรมที่เป็นรูป สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเจและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามอสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันธ์และอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุต แต่วิปยุตจากธาตุหกสากาสิบสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิทาตสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามร้อยเก้าสิบสามสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีคันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาอสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นคันถะสภาวธรรมที่เป็นโอคะ <se aled> สภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาตถสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาต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 สภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรามาตยและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุจแต่วิปยุจจากธาตุหกาก้าสหกสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมที่เป็นจิตสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยจิต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 และวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน398สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่า น, านั้นสภาวธรรมเหล่า น, านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห้าสาาสิบ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุจด้วยกิเลส สภาวะธรรมที่สัมปยุติกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นวิปยุติจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิทธาตุสิและวิปยุติจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสี่ร้อสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุติจากสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุติจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั eh ้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสีส่ร้อยหนึ่งสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม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 อายตนะสิบธาตุสิบห้าและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสี่ร้อยสามสภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกสภาวะธรรมที่ไม่มีวิจารณ์สภาวะธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่งสี่ร้อยสี่ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4ี่้หสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุข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 ธาอและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน407สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่ว nice. ิปยุตจากธาตุห สสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไร สภาวะธรรมเหล่าน <necessary. S 2> ั ales, <estion avilion> ้น <nave> ว <ged> ิป <univers> ย <genocide> ุจจากขันหนึ่งอายตนะสิทธาตุสิบหกและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในทาสมะในหนึ่งยี่สิบสามบทธรรมายตนะหนึ่งธรรมธาตุหนึ่งทุกขสัตว์หนึ่งชีวิตตินสีหนึ่งสลายาตนะหนึ่งนามรูปหนึ่งภพใหญ่สี่ชาติหนึ่งชาาหนึ่ง มรณะหนึ่งในติ ก, กะสิบก้าบทในข้อจักกะห้าสิบบทในจุลันตระทุ ก, กะแปดบทในมหันตะทุ ก, กะสิบห้าบทต่อจากนั้นอีกสิบแปดบทในปิติทุ ก, กะบททำหนึ่ง้ยี่สิบสามบทนี้ไม่ได้ในทัศมะใ น, นวิปยุตเตนะวิปยุตตะปธานิเทศที่สิบจบ ถ้าสมณะในสิอชังสิหิเตเะสัมปยุตตา ว, วิปยุตตาประธานิเทศ4ี่สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอยตนะและธาตุกับสมุทยาสัตว์มกษัตริย์สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุต ด, ด้วยขันอยตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุต ด, ด้วยขันสามยตนะหนึ่งธาตุเจ็ด และสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสี่ร้ย si สิบสภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอายตนะและธาตุกับอิทธินีปุริสินี สภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันอยตนะและธาเท่าไรไม่มีการสรัมปยุทธ์วิปยุทธ์จากขันอยตนะและธาเท่าไรวิปยุทธ์จากขันสียตนะหนึ่งธาตุเจดและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4ี่สอสภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันอยตนะและธาตุกั บ, บ <vert> สุขขินสีทุกขินสี สมณะ ส, สิ น, 4, นสีธมณสินสีสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุเจและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธ์จากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธ์จากขันธ์หนึ่งอายตนะส0บธาตุสิบและวิปยุทธ์จากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน4ี่ิบสอง สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับอุเบกขินสสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปะยุด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุสองและสัมปยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุจจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุจจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบห้าและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สี่สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุปรสัทินสีวิริยินสีสตินสีสมาตินสีปัญญสีอนัญญาตัญญสามีตินสีอัญเินสีอัญญาตาวินสีอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยผัสสะที่เกิดเพราะมีชะลายตนะเป็นปัจจัย ตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สามอายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดและสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนวิปยุทธจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุทธจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สี่สภาวะธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อายตนะและธาตุกับริเทวะสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุดด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเทา่าไรไม่มีการสัมปยุดวิปยุจจากขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรวิปยุจจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเจและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสี่้อยสิบห้า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 ส1 6สภาวธรรมเหล่าใดสงเคราะห์เข้าได้โดยการสงเคราะห์เป็นขันธ์อยธายตนะและธาตุกับอุปายาตสติปทานสัมมาปทานอปมัญญาอินรีห้าภละห้าโพชฌงเจตอริยมัคมีองค์8พัสสะเจตนาอธิโมกมนสิการสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุ สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชนสภาวธรรมที่เป็นคันทะสภาวธรรมที่เป็นโอคะสภาวะธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรสภาวธรรมที่เป็นปรามาตสภาวธรรมที่เป็นอุปาทาน สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้ามองสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสภาวะธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สาอายตนะหนึ่งธาตุเจและสัมปะยุทธ์ด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน วิปยุจจากขันอายตนะและท่าเท่าไรวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบท่าสิบและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งทาหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมในเอกาทสศรรมณัย69บทสัจจะสองอินรีสิบห้าปฏิจจสมุบาท1บอดบทต่อจากปฏิจจสมุบาอีก1บอบทในโพชกะสาสิบท สังขหิเตนะสัมปยุตตะวิปยุตตะปะทานิเทศที่ส1เอ็ดจบส2องทวาทศมานัย1สองสัมปยุตเตนะสังขิตาสังคหิตตะปะทานิเทศ สี่สเจสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะสองและธาแ8ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 2, อายตนะ 40, และธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและธาสิบสี่ร้อยสิบปด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 มัคคัศตร์สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและธาตสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาสิบหกสี่รอยยี่สิบสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยมะนิสีสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาหนึ่ง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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและท่าสิบหกสี่อยี่สสองสภาวะธรรมเหล่าใดสัำประยุทธ์อุเบกขินสี่สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขัน 3, สามอายตนะสองและท่าเจ็ดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขัน 2, อายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและท่าสิบเอ็ดสี่รอยยี่สิบสาม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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและธาตุสิบหกสรอยยี่สิบสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมบยุณ์ด้วยวิ ญ, ญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไหรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดสี่รอยยี่สิบห้า สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุด้วยพัฏฐะที่เกิดเพราะมิจลายัตนะเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและธาตุแสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสและธาตุสิบสีรยี่สิหสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุด้วยเวทนาที่เกิดเพราะมิพัฏฐะเป็นปัจจัย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 สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สี่อายตนะสองและท่าสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบหกสี่อยยี่สิบปดสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยโสกะทุกขโทมนั์สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สาอายตนะสองและท่าสอง สงคเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงคเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบและท่าสิบหกสี้อยยี่สิเกสภาวะธรรมเหล่าใดสัมบูรณ์ด้วยอุปาญาตสติปทานสัมมาปทานสภาวะธรรมเหล่านั้นสงคเคราะห์เข้าได้กับขันสี่อายตนะสองและท่าสองสงคเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไร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 สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยฌานสภาวะธรรมเหล่าน <sk ั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สาอายตนะสองและธาตุสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สองอายตนะสิบและธาตุสิบหกส้สาสสองสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอปมัญญาอินทรีห้าพัลละห้าพชทชงเจตอริยมัคมีองค์8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 สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาเท่าไหร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งยตนะสิบและธาสิบสี่ร้สาสิบสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมไปยุติด้วยเวทนาสัญญาสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามยตนะสองและธาแปดสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอยตนะและธาเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองยตนะสิบและธาสิบ ส, really day, สี่สภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยจิตสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหน really really ึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิอดและธาตุสิบเจ็ดสสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยอธิโมกสภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสี่ อายตนะสองและท่าสามสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและท่าเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและท่าสิบห้าส้สาสิบสภาวะธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวะธรร ม, มที่สัปมปยุทธ์ด้วยสุขโวทนาสภาวะธรรมที่สัปมปยุทธ์ด้วยทุก ข, ขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์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 สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์สอายตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดส้สสบสองสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุดด้วยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชตสภาวธรรมที่เป็นคันถะ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 สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันหนึ่งอิยตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอิยตนะและธาตุเท่าไร่สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสี่อิยตนะสิบเอ็ดและธาตุสิบเจ็ดสี่ร้อยสี่สิบสี่สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่เป็นกิจ สภาวะธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันสามอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันอายตนะและธาตุเท่าไรสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันสองอายตนะสิบอดและธาตุสิบเจ็ดส้อยสี่สิบห้าสภาวะธรรมเหล่าใดสัมพยุด้วยสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวะธรรมที่สัมพยุดด้วยจิตสภาวะธรรมที่รัคนกับจิต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 4ี่สี่สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศ้ามองสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมพยุด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่านั้นสงเคราะห์เข้าได้กับขันธ์สอายตนะสองและทาสองสงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันธ์อายตนะและท่าเท่าไร สงเคราะห์เข้าไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบและทาสิบหกสีร้อยสี่สิเจ็ดสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่กิเลทําให้เศร้ามองแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุข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 มนายตนาหนึ่งวิญญาณธาตุเจ็ 7, สัจจะสองอินรียสิบสี่ปฏิยาการสิบสองบทต่อจากปฏิยาการนั้นสิบหบทในเตีกกะแดบทในโคจกะสี่สิบสามบทในมหันตระทุกกะเจดบทในปิฐิทุกะหก บ, บทบทธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าในนิเทศแห่งบทที่เก้า สัมปยุตเตนะสังขหิตาสังคหิตาประทานิเทศที่สิบสองจบ